ใจเราเป็นตัวที่ตัววัดตัววัดตัววัดผลการปฏิบัติของเราได้ผล ม, มากผลน้อยอย่ที่ใจเราไม่องมากหรือเนื่น้อยถ้าเนื่อมากก็ได้ผล ม, มากอ้าเนื่อ น, น้อยก็ได้ผลน้อย วความที่มันไม่มีอะไรจะต้องเตื่อนเต้น mm hmm. เราไปหลงกับเขาเองความจริงเขาไม่ได้มีความหมายอะไรกับใจแต่ใจเราไปให้ความหมายกับเขาเองว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดีอย่างนั้ดีอย่างนี้นนนเขาเกีกเกเกเ่ิดการเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดการถึงหน้ากัน ใจของเราก็เกิดอาการวั่นวหยอขึ้นมาเกิดขามัุ่นวายขึ้นมาถ้าเราขาดธรรมะแงสว่างที่จะสอนใจให้รู้ทันความจริงทั้งหลายว่าเป็นใจรักใจรักก็ใจรักนีเเน่เป็นองค์ประกอบสำคัญของปัญญาทางพุท พ, พุทธศาสนา เราไม่ต้องศึกษาเลยให้มันกว้างขวางนยศึกษาเพียงแตา่พละใจรักอันนี้อันเดียวพอเวลาเรามองอะไรขอให้เราเห็นว่าไม่เที่ยมเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นได้อย่างปัจจุบันทันตัวใจก็จะไม่เกิดอาการอะไรถึงความโลภความปวดความอยาไม่สามารถที่จะ โผโผลขึ้นมาได้เพราะจะมีปัญญานี้คอยคุ้มในเห็น แ, แล้วก็จะสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้ยินเสียงก็ไม่ได้ได้ยินว่าเป็นแต่รัเสียงไม่เป็นหนทางได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเป็นรูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ได้ว่าเป็นมนุษย์ ไม่ว่าเป็นเด็กหรือชานไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเห็นกอดเารูปรื่เห็นแต่ว่าอาการ32เห็นแต่ผมขนเล็กน้อยหนังเหนืกระดุกเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นแล้วเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่าเป็นเปียงท่าเสียดเยนน้ำเย็นใจ ธาตุาสี่ก็คืออนัตตาการเห็นธาสี่ธาตุกลางรเห็นอนัตตาการเห็นความแก่การเจ็บการตาก็าาอนิจจาการเห็นความทุกข์ที่ตามมากับการไปหลงหยึดติดครับสิ่งที่เป็นอนิจจาและอนัตตาตเห็นกองธาตุสี่ในน้าลงไฟที่ท่านเรียกว่าธาตุขันธ์ นี่เป็นตัวเราของเราไม่เห็นว่าเป็นเพียงยินน้ำยูนไฟไม่เห็นเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่เห็นว่าจะต้องแก่ต้องเจุดต้องตายเป็นธรรมดาเวลาทำไมเราถึงว่าไม่ไม่เห็นว่าแก่แล้วเจ็บแล้วตายเป็นธรรมดาก็เพราะว่าเวลาแก่ก็เกิดอาการเกิดเกิดความ ทุกข์ขึ้นมาเวลาเจ็บคขได้ป่วยก็เกิดความทุกข์กขึ้นมาเวลาจะตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงที่ไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็ความอยากตัณหาอยากให้อยู่ไปนานๆอยากจะให้ไม่แก่ไม่เสียไม่ตายเพราะไม่เห็นอา น, นิจจัง ไม่เห็นนัมตานี่แหละเป็นเป็นเรื่องของปัญญาทางพระพุทศาสนามีเพียงเท่านี้ความรู้มีเพียงเท่านี้แต่การใช้มันต้องใช้อยู่อย่างทุกลมหายใจก็ออกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอนอนให้เจริญมานานุสติทุกลมหายใจก็ออกถึงจะเป็นถึงจะเป็นภาวนามยักษปัญญาถึงจะเป็นปัญญาที่สามารถ ที่ใช้ประโยชน์ได้คือสามารถควบคุมเจตให้เน่งเป็นปกติไม่เกิดอาการหวั่นไหวไม่เกิดอาการหวาดกลัวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงไปของของสิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นการพิจารณาอย่างสมเสมออย่างต่อเนื่อ ง, งเป็น เป็นวิธีการเจริญปัญญาไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่ารู้แล้วรู้ว่าแก่แล้วรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็บอกว่าพอแล้วแต่พอไปเจอของจริงเขา้าเจอเวลาเ จ, เจอเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความตายใจก็หวั่นไหวอย่างนี้แสดงว่ามันไม่พอถ้าพอแล้วมันจะต้องเฉย ต้องไม่มีความรู้สึอะไระนะั่นหะคือปัญญาทางทางศาสนาต่างกับปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกนี้ส่วนให ญ, ญ่จะตัอ้งอยู่บนความจำเราเรียนรู้อ่อนที่เราจะสอบเราก็ท่องจำเอาไว้แล้วพอเราเข้าห้องสอบเราตอบคำถามต่างๆได้เราก็ผ่านแต่อีกหกเดือนถามว่า ที่เรียนมานั้นมีอะไรบ้างรู้อะไรบ้างบันทีจำไม่ได้เเพราะมันเป็นเพียงความจำต้องเปิดตาราเช็ดดูก่อนอย่างแพทย์นี่เวลาเรียนจบมาไหม่เวลาไปปฏิบัติไ ป, ไปรักษาโรคมางทีต้องเปิดหนังสือดูถ้าไม่มีหมอที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคอยให้คำแนะนราะยังขาดการปฏิบัติ คือไม่ได้ทําอย่างต่อเ น, นี่ยถ้าได้ทําอย่างต่อเ น, นี่ยงให้เปิดคนไข้ทุกวันเห็คนคนไข้ทุกวันเจอโรคนี้อยู่ทุกวันทุกวันพอเจออาการเห็หนอาการปั๊บก็รูแล้วว่าออกเป็นโรคอะไรต้องใช้ยาอะไรรักษาแต่ถ้าไปเจอโรคที่น า, านๆจโะโผล่มาทุกครั้งก็ต้องไปเปิดตำนานหลวงวิธีจะราโรคนี้จะทำอย่างไร เคยเจอหมอเคยเป็นโรคสะพัสแล้วไปหาหมอหมอเขาพี่จบมาใหม่ๆเขาก็รู้ว่าเป็นโรคสะพัสไ่เขามาดูวิธีที่จะเพาะเชื้อเพื่อเอาไปตวจเขาต้องเปิดตำราดีกว่าปัวนสวยดูพญาทั้งโลกเองส่วนใหญ่เป็นเพียงความจําแล้วก็เป็นความจริงก็ต่อเมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติ ในชีวิตประจาวันแต่จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาใจให้สงบให้เป็นปกติสุดเป็นเพียงการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุผลภายนอกเช่นรักษาร่างกายนี่ก็เป็นผลภายนอกหมายควาว่านอกใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับใจของของตน พ ร, รักษาร่างกายของคนอื่นเวลาคนไข้เจ็บมาหมอก็วิเคราะห์แล้วก็รักษาไปแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใจของตนเพราะว่าร่างกายของคนอื่นนี้ใจของตนไม่ได้มีอุปทานไม่มีความผูกพันด้วยไม่เหมือนกับร่างกายของตนเอนถ้าร่างกายของตนเองไม่สบายเนี่ยจะมีผลกระทบกับใจ เพราะใจจะมีความทุกข์ึ้นมาทุกเพราะความจิตปวดของร่างกายเพราะอยากจะให้หายหรือทุกเพราะความกลัวกลัวว่าจะรักษาไม่ได้กลัวว่าจะต้องตายไปอย่างนี้มันเป็นผลปกระทบทางด้านจิตใจวิชาทางแล้วก็วิชาทางโลกก็ไม่สามารถที่จะรักษา ความทุกข์ทางใจนี้ได้เป็นหมอก็ยังกลัวตายก็ยังกลัวเกรดไข้ให้ป่วยังกลัวที่จะรักษาไม่หายเ่าวิชาทางโลกนี้ไม่ได้ไม่ได้พูมาที่การดูแลรักษาใจให้เป็นปกติสุมีวิชาทางธรรมนี้เท่านั้นที่รักษา ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาใจโดยตรงถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติทางธรรมใจของเราจะไม่มีความมั่นคงจะต้องอ่อนไหวจะต้องตื่นเต้นหวาดกลัวไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้ ญาอยู่มันงคนสบายยังใจยังทำใจไม่เป็นปกติเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นคนสุกยิงตายหน้าตาก็สูมเศร้าวันแรกๆก็ บ, บ่นว่าทำไมต้องยิงกันต้องฆ่ากันวัหลังๆนี้ก็สูญถาว่าเป็นไงทำใจได้ไนดะ้อย่างยังเพราะเขาไม่มีธรรมะ ไม่มีธรรมะเขาไม่ได้มีปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้มีมีความเจริญมีความเสื่อมมีความสจ้ามมีควา ม, มวุ่นวายเลับกันไปเปนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้สอนธรรมนี้ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เดขึ้นสมัยพระพุทธเจ้า ก, ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เก สมัยพวกเรานี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วสมัยหลังจากที่พวกเราจากโลกนี้ไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นภาวะปกติของของโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่รู้สึกอะรัรเราจะรู้สึกเฉยๆแต่ว่า แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะเกิดความวิตกเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะใจเรามีความอยากที่จะให้เหตุการณ์เป็นไปในรูปแบบที่เราต้องการพอมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราต้องการเราก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา เพราะฉะนั้นความความไม่สบาย อ, อกไม่สบายจากความทุกข์ใจความกังวลใจความเดือดออื้อนเดือดร้อ น, น, อน ต, ต่างๆของใจเกิดจากการขาดปัญญาและขาดสมาธิและสติเพราะต้องมีทั้งสามส่วนนี้ปัญญาจะมีขึ้นมาเองโดยลำพังไม่ได้ปัญญาต้องมีสมาธิ สมาธิก็ต้องมีสติทั้งหมนี้อยู่ที่สติเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเจริญสติเพื่อจะได้ทำจิตให้สงบได้ให้นิ่งได้และเวลาจิตออกมาจากความนิ่งก็ต้องมีปัญญาคอยรักษาความนิ่งต่อไป ก็เราจะนั่งอยู่ในสมาธิทุกทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาไม่ได้เพราะชีวิตของเราบังคับให้เราต้องมีการเคลื่อนไหวต้องมีการออกมาทำมาหาเกินหาอาหารหาปัจจัยสี่ดูแงรักษาร่างกายไปในขณะที่ออกมาก็ต้องรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆทางตาหูจมูก้ือกาย ก็ต้องมีปัญญาคอยประกบอยู่ตลอดเวลาต้องมีปัญญาคอยสอนใจว่าสิ่งที่เห็นนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุเหลวเย็นน้ำลมไฟเราก็ไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตาที่เราต้องการได้เสมอไปบางเวลาก็ บังคับได้บางเวลาก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับกับสภาพความจริงถ้ารับได้ถ้าบังคับได้ก็บังคับใปถ้าบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามตามเรื่องของเขาเช่นร่างกายส่วนใหญ่เราก็จะบังคับได้บังคับให้หายใจได้บังคับให้อยู่ อยู่ได้าขางครไม่ให้เจ็บคายได้สวยได้แต่บางเวลาก็บังคับไม่ได้บางเวลาก็เจ็บคข้ได้สวยขึ้นมบางเวลาก็หยุดหายใจแต่ใจไม่ควรที่จะไปวุ่นไวายไปกับเขาใจถ้ามีปัญญารู้ว่าเขาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารู้ว่าเราไปบงไปปังคับไปควบคุมเขาไม่ได้ เขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับความจริงร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นร่างกายอันแรกที่เราได้มานล้จะสูญเสียไปเราได้ร่างกายมานะไม่ช่วงนะถ้าเป็นเสถ้าเป็นเงินก็เป็นมหาเศรษฐีแนละ้วเป็นน้อยน้านพันน้อยทาไมจะเสีร่างกาย น, นี้ไปอันทํางานจะต้องต้องวุ่นวายใจ เพราะว่าเราไม่เคยสอนใจให้ปล่อยวางใจไม่เคยสอนใจเห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงดินนห้หลม่ mm ันเพรานั้นเองไม่ได้สอนว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm hmm. เพื่อที่จะเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าพรนะ mm hmm. ก็จะไม่มีปัญหา พอถ้าพร้อมแล้วถ้ามีปัญญางแล้วก็จะเห็นร่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเป็นอย่างไรร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกันมีอาการขาเสียสองเหมือนกัน ม, นนมีมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันนจะต้องกลับไปสู่ดื่มน้ำลงไปเหมือนกันที่ไม่ต่างน ถ้าเห็นคนหนึ่งตายหน้าทําไมจะเห็นร่างกายเราตายนี่ได้มันก็เหมือนกันถ้าเห็นว่ามันเหมือนกันนะ <c oughs> ก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของคนอื่นหรือของเรามันก็เหมือนกันมันก็เป็นเพียงดินนะเหมือนกันนี่คือปัญญาที่เราต้องพยายามสอนใจเราอยู่ ทุกเนีณยเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่ เ, เราต้องเข้าสมาธิสนับกับการออกมาเพราะการเข้าไปในสมาธิก็เป็นการครอบแบบพักผ่อนเหมือนกับเราใช้ร่างกายเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ร่างกายให้มีให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนหลับนอนแล้วพอเตื่นขึ้นมาในกําลังวังชาก็เอาไปทํางาน เอาไปใช้ประยู่พอาทางานจนเกิดความเนื่อยล้าแล้วก็กลับมาพักผ่อนกลับมาบ้านกลับมารับทานอาหารอาบน้ำหมับข้าหลับนอนเพื่อจะได้ออกไปทางานต่อในวันรุ่งขึ้นจิตของเราก็ต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อพักจิตให้กำลังกับจิตเติมเติมกำลังให้กับจิต พอจิตท่าเก็นที่มีกําลังแล้วพอออกมาก็ต้องควบคุมจิตให้คิดอยู่ในกรอบของใจนักเสมอคิดเรื่องอะไรก็ต้องมีใจนักเข้าไปเป็นส่วนผสมเหมือนกับการปรุงอาหารไม่ว่านชนิดใดก็ต้องมีเกลือมีน้ำปลาเสมอถ้าไม่เั้นเรารับประทานไม่ได้จะมีรสชาติที่จืดชืดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าขาด ปัญญาขาดใจรักทีวิตของเราก็จะไม่เป็นปกติ จ, จะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเครียดมีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัวตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เราสามารถกําจัดได้ด้วยกเกลือของของใจนักนี้แต่เกลือเข้าไปเล็กน้อยใส่อณิจังเข้าไปนิดใส่ทุกเข้าไปหน่อย ใจอนัตตาก็เป็นคิดอะไรทำอะไรก็คิดว่ามันเป็นสียงอนิจจ์ทุกขังอนัตตางานนี้เราทําอยู่ทุกวันนี้มันก็อนิจจ์ทุกขังอนัตตามันไม่เป็นมันเราจะไม่ทํางานอย่างนี้ไปตลอดแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องหยุดทําจะหยุดช้าหรือหยุดแรงเท่งนั้นเองความสัมพันธ์กับใครก็เหมือนกันมันไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ถาวรเปตลอมันก็ต้องมีวันจบ เราคิดอย่างนี้เรื่อยๆกับสิ่งต่างๆที่ใจเราไปสัมผัสรับรู้แล้วใจเราจะไม่มีอุปาทานอจจะเราจะรับรู้เฉยๆรับรู้แล้วก็ปฏิบัติกับสิ่งนั้นไปตามเหตุตามผลต้องปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติไปเช่นร่างกายต้องดูแลรักษาก็ดูแลไปรักษาไป แต่ไม่แต่ไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของน่างการตายตาสภาพของเขารู้อยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นภาพยนตร์ก็รู้ตามจบแล้วว่าเป็นอย่างไรถ้าอยากจะดูภาพยนตร์แล้วไม่กลัวก็ไปดูที่ตอนจบก่อนแล้วก็กลัมาดูตอนเริ่มต้นก็จะรู้ว่า เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในตอนจบเราก็รู้แล้วก็เฉยๆไม่ต้องไปริดตก ว, ว่าพระเอกนางเอกจะเป็นอย่างไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะต้องเป็นอย่างไรชีวิตของเราก็เหมือนกันชีวิตของคนอื่นก็เหมือนกันความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นหรือการงานต่างๆเราไปดูที่ตอนจบ ก, กันตอนที่เราตายกันแล้ว สิ่เหล่านี้มันก็จะไม่มีความหมายเลยแต่เราไม่ค่อยมองที่ตอนจบกันเราไม่ชอบกิเลสไม่ชอบตอนจบก็เลยต้องมีความกมังวลมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนีย่ยที่รู้จักงสารพระอรหันต์ให้ใจม่อนานุสตุก็ให้ดูให้ดูตามจบ ดูตามจบของชีวิตเราชีวิตของเรามีที่สิ้นสุดมีวันจบสิ้นถ้าเป็นงานเลี้ยงก็มีงานเลี้ยงก็มีแับวันที่สิ้นสุดไม่ใช่จะเลี้ยงกันไปอย่ากไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเราจะปรับสภาพจิตใจของเราไว้ให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ดูตามจบเราก็จะ ถูกอำนาจของความหลงความอยากอยากจะให้มันไม่จบอยากจะให้มันไปเรื่อยๆไปนานๆแล้วก็อยากจะให้มันดีเรื่อยๆอยากจะให้มันขึ้นอย่างเดียวเช่นตัวเลข GDP ตัวเลขอะไรต่างๆดอกเบี้ยยอดรายรับรายได้เงินเดือนนี่อยากจะให้มันขึ้นอย่างเดียวไม่ยอมให้มันหลงบ้างทั้งๆที่มันเป็นไปไม่ได้ มีขึ้นก็ต้องมีลอเปันธรรดาราไ ด, ได้ที่ได้ในวันนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องลดลงมาหลือสูนย์คือเวลาเราออกจากงานแล้วมันก็มันก็กลับมาที่สูหรือว่าเวลาเราตายไปแล้วมันก็สูพอเราเห็นว่าสูอตอนนี้เราได้เท่าไหร่เราก็จะดีใจวาอตอนนี้ยังไม่สูเราก็ไม่เครียด แล้วเราจะปรับชีวิตของของเรานี้ใหม่หมดเลยเราจะเราจะเตรียมตัวรับกับสภาพที่จะต้องเกิดขึ้นเราจะไม่หน ó n งเงินกินกับการเจริญเราจะเตรียมรับกับสภาพที่จะต้องเสื่งถ้าเหมือนกับถ้าขึ้นเครื่องบินก็เราก็ต้องเตรียมชูชีพของไว้เตรียมล่มชูชีพเอาไว้เพราะเรารู้ว่าเครื่องบินมันจะต้องตก ตอนที้มันจะตกเราก็สะดดดออกจากเครื่องบนมีร่มชุชีพถ้าเรามีปัญญามีตายร่านี้ก็เป็นเหมือนกับมีร่มชุชีพใจของเราจะไม่ทุกข์กับการสิ้นสุดกับการดักไปของสิ่ ง, งต่างๆทั้แต่การที่จะคิดถึงเรื่องอ่เหล่านี้คือพิจารณาตายร่างนี้ถ้าจิตไม่มี วามสงบนี้จะพิจารณาลำบากเพราะจะมีกิเลสเออกมาต่อต้านกิเลสนี้ไม่ชอบคิดถึงเรื่องความเสื่อมความตายพอคิดแล้วใจจะเกิากาหดมาทางขดคู่เกิดอาการท้อแท้จนกระทั่งอาจจะหมดไม่มีกําลังจิต ก, กําลังใจที่จะปฏิบัติไม่จะทำอะไรได้คนที่จะพิจารณาเรื่อง ไต้นักดหน้าจึงต้องเป็นคนที่มีใจที่ตั้งมั่นมีความสงบพอสมควรไม่ว่าจะตั้งมั่นมาแล้วจากในอดีตก็ตามหรือในปัจจุบันต้องมีความตั้งมั่นก่อนต้องมีสมาธิก่อนคนบางท่านนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่จิตเขามีความตั้งมั่นอยู่มานั้งแต่เดิมไมตั้งแต่เช้าก่อน พอเขาได้อ่านหนังสือธรรมะได้ได้ได้ศึกษาเรื่องความเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเขากลับรู้สึกมีความกระตือรือร้นรู้สึกมีความยินดีที่อยากจะเอาความรู้นี้เข้ามาสอนใจหรือเขาไม่กลัวนี่แสดงว่าใจาเขานี่มีมีสมาธิมีกําลังมากพอที่จะ ป้องกันไม่ให้เกลียดตัวที่เขามีการความรู้สึกหวาดกลัวโดยพอทแท้หรือเศร้าส้อยน้อยเหงาออกมาสร้างอารมณ์ให้กับตนได้แต่คนที่ไม่มีสมาธินี้พอได้ยินได้ฟังเรื่องเรื่องความตายเรื่องความสูญเสียนี้ใจจะเกิดอาการหดหู่กเกิดอาการเศร้าหมองขึ้นมาทันที เพราะว่าใจไม่มีสมาธิพอที่จะป้องกันไม่ให้อารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นในกรณีนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเจริญมรรคสติกไดาก็ต้องพยายามเสริมกำลังของสมาธิให้มีมากขึ้นไปก่อนก็ต้องเจริญสติก่อนต้องพยายามควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเลื่อยเปื่อย ให้ใจนี้อยู่ภายใต้คําสั่งให้ความคิดนี้อยู่ภายใต้คําสั่งของเราใจมักจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องบังคับไม่ให้คิดเลือกให้มาคิดในเรื่องที่จะทําให้ใจเราสงบช่วให้คิดคําว่าพุโทธโธพุทโธไปเลือคิดบทสวดมนต์่ปสวดอาหารหังสัมมาสวาคาไปสวดจิต ป, ปัญญงากันในขณะที่เรา ทำอะไรก็ตามให้มีธรรมะเสียงตามสายเหมือนก็เป็นเสียงตามสายที่เกิดจากความคิดของเราเป็นนเป็องค์ประกอบเราทําอะไรเราก็สวดมนต์ไปภายในใจดีกว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เกิดไปอะโยชน์อะไรมีแต่จะเสริมกําลังของกิเลสให้มีกําลังมากขึ้น เราก็บังคับไม่ให้มันไปคิดกับเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้จิตใจเกิดความว้าวุ่นขุ่นวัวขึ้นมาเราก็เอามาคิดในทางธรรมะะจคิดพุดโทโธก็ได้คิดบทสวดมนต์ก็ได้โดยจะคิดเรื่องของอาการสาิสองก็ได้ ท่องไปก่อนนะเราร่างการเรามีอะไรบ้างมีขมผมเล็ลเกๆหนังเห็นกันหรอกอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกําลังของสมาธิของแต่ละคนถ้าคิดจะมาบางอย่างมันพิดจะณาไม่ได้ก็อยา่าเพิ่งไปพิจจะมาเอาอย่างที่ทิด พ, พิจารณาได้เช่นพุโทโธนี่จะเป็นจะไม่ค่อยเป็นปัญหาถ้าไหลายเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับมรณะนุสกิมันไม่ได้เกี่ยวกับตายนะ เริ่มบทสวดมนต์แล้วก็สวดไปก่อนท่องไปก่อนท่องไปภายในใจเหมือนที่เราท่องสวดคืนท่องไปเรื่อยๆถ้าใจต้องท่องบทสวดมนต์ใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้เมื่อไม่ไิดเรื่องอื่นได้ต่อไปใจก็จะสงบลงสงบลงแล้วก็ตั้งมัน่นพิใจสงบตั้งมั่นนทีนี้เราก็ สามารนํามามาทําให้นิ่งให้สนบให้รวมลงเป็นเด่นได้เวลาที่เราไม่ทําอะไรอย่างก็หามุสมสงบนั่งขัขดสมาลั่ั่งตัวให้ตรงแล้วก็กําหนดพุทโธไปหรือกําหนดดูลงหายใจเข้าออกไปถ้ามีสติมันก็จะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอย่างต่อเนืน่องแล้วมันก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบเป็นเอก า, าลง แต่ละรูการรวมนี้ก็รวมได้สองลักษณะคือรวมแบบพัวภาพเหมือ น, นต ก, นนต ก, นนตกอุ้งตกหมอรงกายหายไปแล้วก็นี่งสบาเบา อ, อกเบาใจเมื่อรับรู้กับเรื่องอะไรทั้งนั้นหรือจะเป็นแบบที่ค่อยๆสนบลงไปทีลเลีทน้อยเหมือนนกที่ค่อยๆชะลอตัวลงแล้วหยุดไปในที่สุดแล้วสงบ น่แต่ร่างกายก็ไม่หางเสียงอะไรต่างๆก็ยังได้ยินแต่ไม่ใจไม่รับไม่สนใจใจรรับรู้แต่ไม่ไม่ไปมีอารมณ์กับเสียงที่ได้ยินหรือกับอาการของร่างกายว่าจะเจ็บตรงนั้นเรือจะปวดตรงนี้ก็รู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดแต่ไม่มาลบหลุใจอย่างนี้ก็เป็นการรวมเหมือนกัน เวลารวมอยู่ก็ควรจะให้รวมนิ่งๆอย่างนี้ไปนานๆถ้าที่จะอยู่ได้บางคนอาจจะมีจิตที่จิตที่ผาดผงที่สงบแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่นิ่งไม่ยอมอยู่กับที่อยากจะออกไปรับรู้เรื่องต่างๆเหมือนกับฝันเหมือนกับฝันว่าไปที่นั่นไปทีน่นี่ไปเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ ถ้ามีสติพอเราอยากไปปอดให้ไปควรจะฉุดให้กลับเข้ามาที่ถางที่ความสงบที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าถ้าออกสลายเวลากิดจะไม่ได้พักผ่อจะเหมือนจำได้ได้ทําสมาธิพอออกจากสมาธิาก็กิเลก็จะออกมาทํางาน ท, างทันทีจะไม่สามารถที่จะไปเจริญปัญญาได้เพราะจะ ถูกกิเลสฉุดล่าความคิดไปในทางกิเลสคิดทางโลกทางโกรธทางหลงทางาราภยศตะวันตกเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิต้องให้นิ่งหรือแม้จะเป็นธรรมชาติของจิตเราที่จะไปรับรู้เรื่องต่างๆก็ต้องระ ง, งับไว้ก่อนในระยะแรกนี้ระยะที่เราเริ่มปฏิบัตินี้เราต้องการทําจิตต้องการให้จิตนิ่งให้เป็น ให้มีความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับตามอานาจของกิเลสปัญหาเพื่อเราจะได้นำจิตที่มีความหนักแน่นนีม้มาพิจรารณาตายลักพิจรารณาอนิจจังทุกขังอนัสตาเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หุดพ้นจากอำนาจของความโลภความโกรธความหล ง, อ ง, อ ง, อ ง, องพอเรา พอจิตของเราหลุดทน จ, จากเรื่องต่างๆเรื่องของกิเลสปัญหาได้แล้วต่อไปถ้าอยากจต่อเที่ยวตามตามธรรมชาติของจิตตรงนี้ก็ปล่อยเขาไปแญ้วถ้าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปสัมผัสรับรูบ้กับกายทิพย์ชนิดต่างๆก็ปล่อยเขาไปแล้าอันนี้เทียบว่าเราเนียนเราทำงานเสร็จแล้วหรือเราเรียนหนังสจบแล้วเราไม่มีงานที่เราต้องทำแล้ว นี่จะไปเที่ยวทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีใครว่าเพราะกิจที่เราต้องทํากิจที่สําคัญคือการชําระความโลภความโกรธความหลงชนะกิเลสตัณหาชําระกิเลสตัณหานี้ใต้งทําทำแบบรุ่งร่วงแล้วีนี้จะจะทําอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนนักเรียนนักศึกษาที่เราต้องไปเรียนหนังสือก่อนยังมีเที่ยวไม่ได้ถ้าหนีเที่ยวเดี๋ยวเรเียนไม่จบ นักภาวนาก็เช่นเดียวกันถ้าเข้าสมาธิแล้วหนีเที่ยวหนี อ, ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนหนีโรงเรียนจะไม่มีทามที่จะเนรินปัญญาได้ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถตัดกิเลสได้ไม่สามารถทํามิโรดให้แจ้งได้คือการดับทุกข์ต้องมีปัญญาเพราะปัญญาคือมรรคนั่นเอง มักให้เจริญให้มากเจริญเพื่ออะไรเจริญเพื่อละสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์พอละสมุทัยได้ด้วยมักแล้วนิโรธก็จะปรากฏ ข, ขึน้นมาทุกข์ก็จะหนักไทุกข์กับนิโรธนี้เป็นเหมือนเหลสอง น, นางด้าถ้าทุกข์อยู่ด้านบนนิโรธมันก็อยู่ด้านหน้า คือถ้าทุกข์ปรากฏขึ้นนิโรธก็ปรากฏไม่ได้ถ้านิโรธปรากฏขึ้นทุกข์ก็เกิดปรากฏขึ้นมาไม่ได้เหมือนเหรียญหัวก้อยถ้าเหรียญหงายด้านหัวขึ้นมาก้อยก็ด้านก้อยก็หงายขึ้นมาไมนได้เพราะต้องอยู่ข้างล่างทุกข์กับนิโรธนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเหรียญคนละด้านกัน ส่วสมุทัยกรรมมร ก, ก็เช่นเดียวกันเป็นเป็นเหนี้ก่นมาได้ถ้าไม่มีมรกไม่มีไตรลักษณ์ก็จะเกิดสนุทัยเกิดตันหาต่างๆขึ้นมาเกิดความวิตกก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลขึ้นมานี่เป็นสมุทัยเพราะความอยากต่างๆนี้จะทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากจะให้บ้านเงมิมสงบอยากจะให้บ้านเงินปลอดภัย พอมันไม่สงบมันไม่ตอดภัยก็เกิดความเครียดขึ้นมาแต่ถ้ามีมรรคมีปัญญาว่ามันเป็นไตรลักมันมีสงบจนแบบกฏการไม่สงบมันนี้มันไม่สงบก็มันก็ต้องเป็นเป็นเป็นวาระของเขาสงบมานานนั้นก็ควรจะไม่สงบบ้างจเจริญมานานแล้ก็ต้องเสื่ม บ, บ้างไม่มีอะไรไม่เสียอถ้ามีการจเจริญก็ต้องมีการเสียอ ถ้าไม่อยากจะเสียอก็ไม่ต้องไม่ต้องเจริญก็คือถ้าไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดนี่ก็แล้วนี่นี่คือการทํางานของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี้เลยมั้งอยู่ที่การเจริญปัญญานี้แเจริญมั้แล้วการเจริญปัญญาก็ต้องเจริญสมาธิก่อน เราก็ต้องเจริญสติก่อนถึงจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาพอเจริญปัญญาแล้วเกิก็ต้องพักทํางานเป็นสักระยะหนึ่งก็จะเกิดเหมือนกับเหมือนกัว่าไม่ทำงานไม่ค่อยได้ผลนะมีดถ้าใช้ไปมากๆก็จะทื่อก็ต้องไปรับมีดก่อนคนที่ฟันคนที่ใช้มีดก็ต้องไปพัก รับประทานอาหารดื่มน้ำหดับนอนพักผ่อนกนพอมีกําลังแนะล้วร่ำมีให้คมแล้วก็ตับมาตัดตัดต่อไปตัดกิเลสต่อไปปัญญาเมื่อใช้ไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆก็จะเกิดอาการงุ่ยล้าขึ้นมาหรือเกิดอาการคื่อขึ้นมาจะไม่สามารถตัดกิเลสได้จะไม่สามารถตรงได้ก็ต้องหยุดพักแล้วกลับเข้าไป ในสมาธิพอพักจนมีกําลังแล้วก็ออกมาก็มาพิจารณาหมปัญหาอันไดที่เรายังตัดไม่ได้ก็กลับมาวิเคราะห์ใหม่ด้วยปัญญาก็จะตัดได้เป็นที่สุดพอหมดปัญหาเรื่องนี้แล้วเราก็ไปหาปัญหาเรื่องใหม่ต่อปัญหาที่ใจเราไปวุ่นด้วยไปเกี่ยวข้องได้ทุกทั้งหมดนี้เราต้องตามไปตัดให้หมด ตอนต้นก็จะตัดภายนอกก่อนตัดพระปัญหาทางรูปถิ่นเก่งรถโปรดพระบุคคลด้วยวัตถุต่งางๆเหตุการณ์ต่างๆภายนอกก่อนเมื่อตัดได้แล้วก็เข้ามาสัดส่วนที่ใกล้ใจขึ้มนมาก็คือขันธ์ห้าก็คือร่างกายมาพิจารณาม า, าพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของาาอร่างกายพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่ไงาม ก็จะละปฏิปุ้นความสุขภพของร่างกายเพื่อจะได้สั่นอุปทามความยึดมั่นถึงมั่งตัดการมะราคะในร่างกายพอตัดร่างกายได้แล้วก็เข้ามาตัดเวทนาสัญญาสังขารยินย่านิจนาให้อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารยินยานก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดดัดเกิดดับตายดีใจเ่งความคิดของเราพอเราคิดปั๊บเสร็จแล้วมันก็หายไปแล้ว เหมือนการเราโยนน้ําลงไปในโยนหินลงไปในน้ําโยนไปน้ําก็กระเพื่อมแล้วสักครู่มันก็มันก็เนี้ยหายไปพอโยนก้อนใหม่มันก็กระเพื่อมขึ้มนมาความคิดของเราก็อย่างนั้นพอคิดขึ้นมามันก็ก็จิตก็เพื่อมขึ้มนมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปสัญญาสังขารยาัญญาเมตนาสัญญาสังขารยัญญาก็จะเป็นแบบนี้ ก็จเกิดดับเกิดดับเป็นหี่งห้อยถ้าเรารู้ทันมันแล้วไม่ไปหลงตามมันก็มันก็จะไม่เป็นปัญหารู้ว่ามันเป็นเพียงความคิดรู้ว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดดับเกิดดับรู้ว่ามันเป็นไตรลักรู้ว่ามันเป็นมันไม่มีสาระความหมายอะไรเราไปให้ความหมายเองเราไปหลงติดอยู่กับความหมายต่างๆเหล่านั้น คิดว่านั้นดีคิดว่านี่ดีเป็นต้องคิดว่านั้นเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ทีหลังนี้มันไม่ได้เป็นสาระตามที่เราคิดแต่เราไปหลงตามความคิดนี้แล้วก็ไปยึดติดยึดคิดว่าร่างการนี้เป็นเราเป็นของเราเวทนานี้เป็นเราเป็นของเราาจริงมันก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดาบไปเราปล่อยวางมันได้มันก็จะไม่มาวักวนเรา มันจะมีอาการเจ็บอย่างไรถ้ามันก็เจ็บของมันอย่างนั้นแต่ใจเราไม่ไปเจ็บอะไรครับไปต่างหากเพราะเราไม่ได้ไปให้ความหมายว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเราไม่ได้ให้ความหมายดีหรือไม่ดีเราก็จะไม่ใส่ความอยากให้มันอยู่หรืออยากให้มันไปมันอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปถ้าเราให้ความหมายเวลาสิ่งที่เราว่างดีหายไปเราก็เสียใจยเช่นพอสุขเวทนาหมดไปก็เรู้สึก ว่าวเวเศร้าสร้อยหมยเหงาขึ้นมาพอทุกเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดความเมตตาเกิดความตัวหนึ่งขึ้นมาเพราะเราไปให้ความหมายนั่นเองว่ามันดีไม่ดีว่ามันสุขมันไม่สุขว่ามันทุกข์มันไม่ทุกข์ทังที่มันไม่ได้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์มันก็เป็นของมันเองเหมือนเสียงที่เราได้ยินนั่นก็เป็นเสียงของมันเองเราไม่ได้ไปให้ความหมายมันก็ไม่เป็นปัญหาเรา ถ้าเราไปให้ความหมายว่าเป็นเสียงคำนั่เสือนล้วก็เย้ยย้ยแจ่มใสดีออกดีใจถ้าเราไปให้ความหมายว่าเป็นเงินทาเป็นการตาหนิว่ากาวเราก็จะเหนื่อยฟังไม่สบายใจขึ้นอดงนั้นต้องดูตรงที่ความจริงของมันว่ามันเป็นเพียงสภาวะทำอย่างหนึ่งที่เกิดจับเกิดอย่างอยู่ในใจเราที่ใจเราไปรับรู้มา ใ, ในใจเรา แล้วก็อยากไปให้ความหมายอะไรต่างๆนี่เป็นการการพิจารณาเพื่อปล่อยวางแล้วก็ขณะที่พิจารณานี้ก็เป็นเหมือนการทําข้อทําการบ้านไปนก่อนและเวลาที่เราไปเจอของจริงเวลาไปเจอใครเขาด่าเราเราจะได้ดูว่าเรามีปัญญาทำรรหรือไม่ถ้ามีปัญญา ร, รมก็บอกว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรม เกิดดแบบับเกิดดับเป็นเสียงนี่เป็นเวทนาที่เกิดมาเวลาเรามาสัมผัสที่ที่ใจมันก็จะเกิดเวทนาที่อยู่ที่ว่าใจเราไปให้สัญญาความมั่นหมายว่ามันว่าอย่างไถ้าไปว่ามันดีก็จะดีใจถ้าแต่ว่ามันไม่ดีก็จะเสียใจถ้าไม่ได้ไปว่ามันดีแล้วไม่ดีมันก็จะเฉย อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสอนใจคือปัญญาสอนว่ามันเป็นตายลักมันไม่มีความหมายอะไรเราไปให้ความหมายมันเองแล้วเราต้องลบงานความหมายทั้งหมดให้มันหมดไปเพอมเป็นเพียงสมมุติคนสารเสื่อเรามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ได้ทำให้ใจเราดีขึ้นหรือเร็วล ง, งไปคนที่เขาด่าเรามากน้อยเพียงไรก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้ทาให้ใจเรา เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นแต่อย่างไรใจเราก็ยังทอดยังอยู่ถ้าเราฉลาดเราเรารับได้ทั้งสองอย่างมันก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรกับใจใจก็จะเป็นปกติเพราะว่าใจมีมรรคควบคุมไว้ควบคุมไม่ให้เกิดสมุทัยไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายสมุทัยก็คือความยินดียินร้าย ภาวะตัหาวิภาวะทัณหาภาวะตัณหาก็คือความยินดีวิภาวะทัณหาก็คือความยินร้ายนี่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ปัญญามากําจัดคือความยินดียินร้ายต่างๆของเราอย่าไปเห็นว่าดีหรือไม่ดีให้เห็นว่ามันสักแต่ว่าเท่านั้นแล้จังเราก็จะเป็นปกติ จะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องเจริญแล้วก็กับเป้าหมายต่างๆจากส่วนอยากเข้ามาสู่ส่วนละเอียดภายนอกก็เป็นส่วนอยากรูปสิ่งกินน็อกรูปร่างหน้าตาของคนมนะันต้องเป็นส่วนอยากล้วก็ต้องชำนะจานต่างไปา แล้วก็เข้ามาสู่ภายในที่เละเอียดก็คือเวทนาสัญญาแังสามนิยาแล้วก็เข้าไปภายในจิตซึ่งเป็นขันที่เละเอียดที่สุดต่อไปมันเป็นเหมือนกำแพงที่เราจะต้องเจาะทะลุไปทีละขั้นทีละขั้นข้ามขั้นไปได้กำแพงมันมีสามสีสามกาแพงกําแพงภายนอกกําแพงขันกาแพงภายในยอดกําแพงภายในแล้วกาแพง ภายใกจิตอเอภายนวการูปเปลียนจิตนัดแล้วก็ามาที่ขันห้าที่ณามาขันที่รูปประขัน่อนนัดขีณามาขันแล้วก็เข้ามาที่จิตจิตก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะจิตยังเปนตัวที่ไปสร้างสมมติขึ้นมาทางจิตเช่นเดียวกันแต่ยังมีความสําคัญมั่นหมายภายในจิตว่าสภาวะอย่างนี้ดีสภาวะอย่างนี้ไม่ดี นี่คือสุดนี่คือทุกแล้วต้องพิจารณาว่ามันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วดอกไปอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยอยากชอบสภาว อ, อย่าไปมีร่ากับสภาวะสภาวะต่างๆที่มีอยู่จริงพอปล่อยวางแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรตรงนี้ถ้ารู้ธรรมแล้วต่อไปมันก็จะไม่ผลุดเดือด สาสภาวะเหล่านี้ขึ้นมามันก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ก็มีแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ท่านั้นทั้งหมดนี้ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัวตัวจัดการส่วนสมาธินี่เป็นตัวสนับสนุนปตินี่เป็นตัวผักดนันที่จะทำให้เกิดสมาธิแล้วเกิดธัญญาตามมา อันนี้ในที่ิษัจกรามของเราเนี่ยเราต้องใช้ใช้สติอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจไปตามเรื่องตานไปเรื่อยเปื่อยคิดเรื่อยเปื่อยต้องเดิงออกมาให้อยู่ให้ตั้งมั่นให้อยู่ในปัจจุบันและไม่ให้ตปคิดเรื่องที่จะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆให้คิดแต่ในเรื่องที่ทำให้จิดสงกคิดธรรมะคิดพุทโธพุทโธไป โดยคิดบทสวดนต์ต่อถ้ากใจมีกําลังมีสมาธิมากก็คิดเรื่องอนิจาจทุกข์ขังอน้ตตาแล้วใจจะไม่ไม่วุ่นวายใจจะไม่ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี่ก็คือหน้าที่ของเรางานของเราเป็นทั้งการบ้านและเป็นทั้งการเข้าห้าองสอบ ทางบ้านก็คือเวลาเราอยู่คนเดียวเ้าพิจรณงเตือยอตัวนักกับเหตุการณ์แล้ก่อนแล้วเวลาไปเจอของจริงก็จะได้รู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านสอบตกอยู่หรือเปล่าก็อขอให้พยายามทำไปทำมามากแล้วห้าปีแล้วอย่น้อยก็อยากเยอด วันนี้จะให้ก้าวหน้าก็อย่าทอดท้อย่ายอมแพ้อย่าทำต่อไปถ้าบ้างเรือบ้างก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนถ้าขยันมากก็ไปเร็วถ้าขยันน้อยก็ไปช้าถ้า ง, ง่ายก็เพราะว่าฉลาย ถ้าย า, ามเฉพาะในค่อยฉลาดถ้าไม่ฉลาดก็พยายามสร้างความฉลาดให้เกิดขึ้นเรื่อยๆทําทให้มากเข้อหาพู้รู้ให้มากามทําทําอยู่เรื่อยๆแล้วนําสิ่งที่ได้ยินได้ต่าง ม, มาหลานใจอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ฉลาดเองคนเราไม่โง่ไปตลอด วเวลาฉลาดได้ดังั้นจะไม่ปราก่อนมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหันต์ขึ้นมาเพาะท่านก็ไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดท่านก็งงเหมือนกับพวกเราเนี้ยแต่ท่านฝ่ายรู้ไปศึกษาไปสอนใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดการฉลาดขึ้นมายั้งทุกอย่างนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สืบพิสัยสาหรับพวกเราถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเราเองด้วยความเกียจข้าม ด้วยความคิดที่ผิดว่าเราไม่มีวาสนาเราไม่มีความสามารถถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ปิดตัวตูวตกั้นตัวเราเองแต่ถ้าเราบอกว่าเรากับพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างกันใจของเรากับใจของพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันใจที่พร้อมที่จะเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้เท่ากัน เป็นเหมือนเมล็ดข้าวทุกเมล็ดเหมือนกันอยูที่ว่าจะเอาตัวลงไปในดินนี้อไม่เท่นั้นเองถ้าปูกลงไปในดินมันก็ต้องเจริญ ง, งอกงามขึ้นมามันก็ขอให้พยานทำมันต่อไป ใต่เรื่อนี้ก็เป็นจุลธรรมเรื่องที่สิบเพราะคนคนที่ไม่ได้อ่รารธรรมก็ยังมีอยู่านะญาติโยมที่ทำหนึ่งที่ข้างล่างข่าวเมืเ่อไหรนี้ได้อ่านก็พิมพ์พิมพสลักก็เที่ยวที่สอญาติโยมที่ข้างล่างลนไปเริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องที่สิบห กำลังใจสิบหกนี้ก็จะเป็นจุมธรรมเล่มหนึ่งกำลังใจสิบแปดก็เล่มสองยี่สิบก็เล่มสามยี่สองก็เล่มที่สี่ส่วนกวลังใจที่เป็นหมายเลขที่คือยี่สิบเจ็ดสิบเก้ายี่บทีนี้ก็จะเป็นเทศที่สารรมญาริ่มื่อตอนเช้าตอนก่อนจะชันตอนเช้า ก็จะมีรัชาติไม่เหมือนกันเท่เหมือนข่าวไม่เหมอต้มยำข้างล่างก็เปเหมือนแับธรรมดาพระล่างในอ่านไีมกันก็มีบ้างบางองคนแตคงไม่มากท่านก็วก็ได้ไม่ได้ท่านท่านมีเป้าหมายไม่เหมือนกับพวกเราทุกท่าน เพงท่านบวชตามประเดี๋ยมีจมากกว่าบวชตามตามประเที๋ยมีแล้วก็บวชไม่นานพู้ที่บวชนานๆเขาก็มีเป้าหมายไปทางอื่นทั้งก็ไมีสนใจทางนี้แล้วก็มีเขาเลยก็มีอะไรมีสัญโอดมากน้อยของเขา Ừ, พอใจกับฐานะที่เขาไม่อยู่เป็นอยู่เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการที่จะขวนขวายปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้อนออกจากกองทุกข์ให้อยู่ไปวันวันอย่างนั้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์มไม่วุ่นว า, ายกับอะไรก็เขาก็พอใจนะ้าเป็นเรื่องของนินาจิตตัง เป็นเรื่องของอินทีย์อินทียก็คือศรัทธาสติวิริยะ ส, าสยะมาธิปัญญาีมีมากมีน้อยสางกันไปก็ปาทำผนใต้ตามตามฐานะของของแต่ละคนที่มาทำกันแล้วคนที่บวชแล้ว ถ้ามีอินทรีย์แก่กล้าก็จะล่วงไปทางสานักปฏิบัติถ้ายัางอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็จะอยู่ตามวัดตามบ้านตามเมืองจะมากกว่าเหมือน<ม>รอับประทานอาหารเราก็เลือกร้านที่เราจะรับประทานอาหารให้ ทานอาหารก็มีหลายระดับตั้งแต่ริมถนนจนกระทั่งถึงห้าดาวในโรงแรมห้าดาวมันก็อยู่ที่ว่ากําลังซั์ของเราจะมีมากน้อยเพียงไรถ้าคนมีซักมากก็คงไม่รับประทานอาหารข้างริมถนนแตคนที่มีซักน้อยมีอินทีน้อ ย, อยก็ต้องกินอาหารข้างถนนไปก่อนคนที่มีซั์มากเขาก็ไปกินอาหารระดับห้าดาว กินอาหารที่้าคอาหารเป็นคนตุนตังข้าบัวสี่น่องนะก็อย่างนี้นะบัวสี่น่เพราะได้สะสมบุญบา ร, รมีมาไม่เท่ากันในพัฒนาจิตใจมาไม่เท่ากันไม่งั้น คนที่เกิดในสมัยรัชกาลเจ้าก็ต้องบรรลุปเป็นพระอรหันต์กันหมดทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่มีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์คอยช่วยอบรมสั่งสอนอยู่พระที่บวชในสมัยนั้นก็ไม่ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์กันทุกทุกเพราะแต่ละคนก็มีอินทรีย์ที่ไม่เท่าเทียมกัน เรื่องวันนี้ไม่ควรที่จะไปสนใจมากนะควรจะสนใจอินซีของเราดีกว่าอินซีของเรามีขนานไหนเราเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าทําให้มันมากกว่านี้ได้หรือเปล่าหรือพอใจกับฐานะของเราอย่ามนี้มัวแต่ไปยุ่งไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลี้ยวดูเรื่องของตัวเองตัวเองอยู่กับที่มานานแค่ไหนก็ไม่รูตัว ท่านสอนว่าอย่าไปมองคนอื่นมากเกินเกินไปถ้ามองก็ให้มองเป็นธรรมคือมองแล้วมาเปรียบเทียบกับเราว่าเขาเก่งกว่าเราหรือเขาน้อยกว่าเราถ้าเขาเก่งกว่าเราเราก็ต้องพยายามผักตัวเราให้เราให้ใ ห, ให้เก่งเท่ากับเขาให้ได้ถ้าเขาน้อยกว่าเราก็อยากพยายามลดตัวเราลงไปให้น้อยเท่ากับเขาต้องระมัดระวังเพราะ เรายังอยู่ในฐานะที่จเจริญนะนสูงด้านเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่ไม่สูงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ไม่ระวังถ้าเราเกิดความประมาทนี้เราก็อาจจะเสื่อมลงไปก็ได้ถ้าเราไปคบค้าสมาคมกับคนที่เขามีอินทร์ที่ต่งกว่าเราเดี๋ยวก็จะถูกเขาชวนไปในทางของเขาเพราะมันลงมันง่ายกว่าขึ้นนะ ขึ้นเงินมันยากเดินรองนี้มันง่ายชวนไปเที่ยวนี่มันง่ายชวนไปวัดมันยากชวนไปปฏิบัติธรรมมันยากชวนไปเที่ยวนี่ง่ายนั้นต้องไปคบคนที่เขาชอบไปวัดไปปฏิบัติธรรมเขาจะคอยชวนเราไปด้วย อยากไปคบกับคนที่ชอบเที่ยวเดี๋ยวเราก็ชวนเราไปเที่ยวท่านสอนั้นอาเซวนาจะบาลานังวันดิตานันจะเซวนาเอตัมมังกรรมนุสตัมมังการไม่คบคนพางการคบบัณฑุเป็นมงคลอย่างนี้คนพางก็คือคนที่เขาต่างกับเราในทางอินทรีย์เไม่ว่าเป็นคนพางได้ คนบัณฑิตก็คือคนที่เขาสูงกว่าเราในทางอินทรีย์ในทางสติสมาธิปัญญาในวิทยาและศรัทธาถ้าคนที่เขามีสิ่งเหล่านี้มากกว่าเราเขาก็จะชวนให้เราไปเติมให้มีมากขึ้นไปแต่ถ้าคนที่เขามีน้อยกว่าเขาก็จะชวนให้เราลดจานวนลงไปเพื่อเราจะได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาได้ ใช่เราเขานั่งนั่งสมาธิได้วันละชรวโงเรานั่งอยู่องช่วโมงี๋ถ้าไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเพราะว่าจะวแนะนำนั่งแค่วันลชั่วโมงต้องสังเกตคนที่เราพบการสมาด้ยวยเขานที่คนต่อต่อตัวเราต่อการสะ อย่างเท้าขาครูบาจารย์ท่านก็จะคุยแต่เรื่องนี้ท่านั้นคุยแต่ธรรมะตลอดคุยแต่เรื่องการปฏิบัติการตักกิเลสแต่ไม่คุยเรื่องอะไาถ้าไม่คุยกับคนอื่นเดราก็คุยเรื่องที่เที่ยวตรงนั้นดีตรงนั้นไม่ดีเรื่องสถานที่รับประทานนะตรงไหนอร่อยตรงไหนไม่อร่อยแล้วมันก็จะมีอทธิพลต่อความคิดของเราก็ ถ้าเรามีถ้าเรามีไอคิสูงกว่าเขาถึงแม้็จะพูดเราก็จะไม่ค่อยเกิดความยินดีเท่าไหร่เป็นถ้าเราชอบไปวัดแล้วคนมาชวนเราไปเที่ยวเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะยินดีไปไรก็เราจะหาคนที่ชอบไปวัดคบกับคนที่ชอบไปวัด หรือไม่ช่นั้นก็ไม่ต้องคบกับใครเลยก็ได้นักปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ต้องคบกับใครเลยนอกจากครูบาอาจารย์ที่เราต้องพึ่งพาใสยในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่เราพรรูปจ้าก็ส่งตรัวา่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่เก่งกว่าเราหรือเท่าเราได้ก็ให้อยู่คนเดียวดีว่าอย่าไปคบกับคนที่ด้อยกว่าเรา พเขาจะช่วยเราลงตการอยู่คนเดียวนี้ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการเปลี่ยนทิ่เวทเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติต่อการจเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติดันั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิ่เวทได้ท่าไรเปลี่ยนไปเลยอย่าให้ความรู้สึกนึกคิดว่าเรานี่เห็นแก่ตัวมันเข้ามา มันไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่มีภาระหน้าที่เราจะต้องไปรับผิดชอบถ้ามีเราก็ต้องเราก็ต้องทำภาระหน้าที่ของเราถ้าเราทําระหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วเรามีเวลาว่างที่เราจะเปลี่ยนตัวได้แล้วก็ติลีตัวไปที่อยู่ในวัด น, นี่ก็เวลามีภาระหน้าที่ต้องทำร่วมกันก็ออกมาทำร่วมกันเวลาปัดขวัญก็ปัดขวัญร่มกัน เวลาเบญทบาาถัง่องกันแต่พอเวลาไม่มีจิตที่เราถาัง่ยงกันก็ก็เปิด่ตัวไปอยู่ตลางสถานที่ของตนในหนมาสมาธิประเด็นตรงตรง เขาดงหาเลยนไม่เห็นหน้าเล่ก็เลยเขาดูงหน้าน่น่าตกใจนทลามันะอยากทำลกทรี่มาท่ังเต็มนิดนึง ปเปขตอนาเจริญสติแล้วก็พิจารณา อ, อาาาไะไรูกถามนาถามใช่ไหมติก็คือให้จิตนี้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ให้สง่งความคิดไปกับเรื่องเวาต่างๆเราอยู่ตรงไหนก็ให้เราน่ากายเราอยู่ตรงไหนก็ให้จิตของเราอยู่ตรงนั้นใ่นเนนใ้เรากำลัง ทำอะไรอยู่เราก็ให้อยู่กับการทำให้เลารเลี้อยู่กับการกระทานี้เพิ่มพลังเขียนไม่เสือก็ให้อยู่กับการเขียนไม่เสือการรับประทานอาหารจะให้อยู่กับการานนรับประทานอาหารไม่ใช่รับประทานอาหารแล้วก็คุยกันหรือคุยกับตัวเองถ้าไม่ได้คุยกับคนอื่นก็คุยกับตัวเองอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันกบไม่อยู่กับคนไม่ต้องคุยกับคนอื่น ให้ให้ให้รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารกำลังตักข้าวกำลังเคี้ยวกำลังเกยให้เห็นกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างนี้คือการรี้ถึถ้ากำลังเดินก็ให้ให้รู้เห็นกับกก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไให้ทันเนี้ยอย่าไปเดินแล้วก็คิดถึงว้าจะเดินไปทำอะไรข้างหน้าจะไปทำอะไรเลื่อขึ้นอะไรขึ้ขวางเรา แต่ไคิดเรื่องต่างๆถ้าไม่จําเป็นก็ต้องคิดแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องคิดว่าในในในเรื่องต้องนึกจะให้หยุดเดินก่นแล้วคิดให้พอหรือกาลังทําอะไรอยู่ก็ให้หยุดหยุดทำกำลังรับประทานอาหารก็หยุดรับประทานอาหารก่อนแล้วก็คิดเรื่องที่ต้องการคิดคิดให้เสร็จคิดเสร็จแล้วก็ก็กลับนอนอยูมม่กับเรื่องที่เรากําลังทำอยู่ จากนี้ก็จะมีสติเวลาคิดก็ให้มีสติอยู่กับความคิดไปไ้พอหยุดคิดแล้วก็ให้กลับมาอยู่กับงานที่เรากำลังทำถึงถ้าใจเรามันไม่ยามอยู่เราก็ให้มันอยู่กับความคิดที่ที่เป็นธรรมไปได้ให้มันอยู่กับพุโทโธกปรับประทานงะไการกับพุโทโธไปนี้ก็ได้ แล้วก็ทามใจสัพพุโทสัพโสุโตไปาในใจอย่าให้จะคิดเรื่องอื่จะสวดมไปทางในกใก็ได้สวดถ้าสวดใดถ้าสวนห น, นึ่งก็ได้ที่เราจำได้สวดไปแล้วก็ให้อยู่ก่อนไม่ต้องอยู่กลางศนย์แต่ถ้าจะสวนนี่มันก็นต้องร่างเฉยๆมัจดีกว่าถ้าไม่ทำ ถ้าจะทำอะไร ก, ก็ก็ใ้้คุดโทไต่็ได้แต่มั้ก็ยังจะทำสองอย่างอยู่แต่ก็ยังมีกับปล่อยให้ตกทิพเนื่องต่างๆถ้าจำเป็นต้องทําแต่ใจมันยังยังตกทิพอยู่ก็ใช้ใช้คุดโทไล่พาคิดไปให้มีแต่คุดโรอยู่ในการทำงานอย่างนี้ก็ก็ยังมีสติอยู่ โดยหลักทักษขณาจัก้ใจเป็นปัจจุบันให้ใจอยู่ที่นี่อยู่นี้อยู่ตรงนี้เราล่างกายอยู่ตรงไหนก็ให้ใจอยู่ตรี่จะเรียกว่าแต่ส่วนใหญ่เรามักจะยากทําร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจเราไปอยู่กรุงเทพไปอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไปไปอยู่กับคาพูดของคนที่เราเพิพูไปนี้ เรืครู่นี้ตรนี้แสดงว่าเราไม่มีปฏิ์เพราคำพูดที่คำพูดนี้มันจะผ่านไปแล้วมันเนอดีต้ปใยังเกาะอยอยู่กับอดีตยเราไม่อยูในปัจจุบันปัจจุบันนี้คำพูดถ้าเขาพูดตั้มมันก็หายไปแล้วถ้าเราอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเรายัางคิดถึงคำพูดเก่าคำพูดเก่าแสงว่าเราไม่อยูนปัจุบัน เราไปแหนดเราไม่ปล่อยวางเราไปคว้าไยึดไปติดจกรดิหรือไปคิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวพนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ในปัจถ้าไม่อยู่ในปัจจุบันก็ไม่ถือว่าู่สติถ้าจะมีสติต้องอยู่ในปัจจุบันจลา เวลาพิจารณาปัญญานี้จนจะต้องพิจารณาทั้งอดีตทั้งปัจจุบันางากครับแิดนแต่จิตเป็นปัจจุบันอยู่กับความพิจารณาวจนะคือปัจจุบันนี้กลังพิจารณาเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่ออนาคตเพื่อจะดูภาพรวมเพ้่ดูร่างกายของเราว่า เกาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตางจยจะต้องสลายกับคืนเก่ดในน้ำนมใจเมืาพิจารณาทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตแต่การพิจางนานนี้มันเป็นปัจจุบันเรามีสติอยู่กลารพิจาราเวลาจะเจร่ยปัญญานี้จะต้องพารทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อจะได้เห็นภาพคือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลอันนี้จังแต่เวลาทำสมาธิรูจะต้องอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียทั้งอยู่ประคุณโทอย่างเดียวอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอย่างนี้กิดเห็นกันนิ่งเห็นจะเป็นส那นที่ได้แต่เวลาจเจริญปัญญานี้ไม่ต้องการความนิ่นต้องการความรู้ต้องการผล็นใรัก เห็นอนิจจัทุกขงังอนัตตาก็ต้องพยายามขยายความเรื่เปรียบเทียบเช่นดูร่างกายเรามันนี้กับร่างกายเมื่อสิบปีที่แล้วว่าเป็นอย่างไรหรือร่างกายที่จะเป็นต่อไปสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้าอย่างนี้เพื่อที่จะเห็นภาพของความไม่เที่ยงของร่างกายต้องพิจารณา การเจริญปัญญาแล้วจะจะไม่สนใจกับเรื่องของความนิ่งร่างกายความก้าวจันทร์การเห็นชาติเห็นกายก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบทุกขัทุกส่วนเป็นพิจารณทุกมันทุกขาออะไรร่างกายทุกทุกมันก็ทุกสองอย่างทุกตามสภาพขอนขง เราก็ต้องเจ็บตรงนี้นปวดตรงนี้อันนี้เป็นทุกข์ทางกายเป็นทุกข์ทางใจแล้วแต่ตว ใ, ใจที่เราไปไม่ชอบความทุกข์ทางกายความทุกทางใจนี่เราแก้ยากเราดับยากถ้าเรายอมรับความทุกข์ทางกายเจ็บ ก, ก็เจ็บไปเลวดก็ปวดไปแสบก็แสบไปตายก็ตายไปแค่อย่านี้ทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิด แต่ถ้าได้ยามรักกลัวตัวความเจ็บทางล่างกายทุกทางใจก็จะเกิดขึ้นมาแค่นั่งไปแล้ว เ, เกิดความเจ็บตรงตรงบางส่วนของร่างกายท่าอาจารย์ก็จะกระตารกระสับกระสางกวนกระวลยไม่อยากอยากจหนีจากความเจ็บนี้ตไงไม่อยากให้ความเจ็บนี้หายไปอย่างนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ปล่อยนี้เถอะมันเกิดก็เกิดไปเราทำรายละเอียดเราก็ทําต่อไปเรานั่งบริกรรมพุทโธแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไปอยางก็สนใจความเกิดแล้วเราคุยแล้วเนี่ยเสียงเสียงห้างดังกระต่างแต่เราไม่สนใความไม่เกิดรังไข่เพราะเราไม่ไดสนใจเราจะจอมเสียงดังอย่างไรก็ปล่อยก็ฝาเสียงไปเพราะเราไม่ได้ไป ไปยืนดียืนร้างับเขาถ้าเราอยากจะให้เขาหายไปให้หเขาเมียบกปนนี้ยเราก็จะเกิดความ ก, กษสัตกระสานกระวนกรวายจากความไม่ไสบายใจขึ้นเพราะทุกข์มันมีสองส่วนทุกข์นอกใจและทุกข์ในใจทุกข์นอกใจนี้ต้องปล่อยไปตามทางจริงทุกข์ที่เหลือนี้จะ่ามันทุกข์ก็ได้ถ้าเรา แต่ถ้าเราใจเราไม่ไปรังเกียจเขาใจเราก็ไม่ทุกข์กับเขาแต่เขามารบ ก, กวนรบ ก, กวนการพัฒนาทาให้การฟังไม่รู้ลำบากขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ภายใว่านนถ้าเรายอมรับทุกข์ภายนอกทุกข์ภายใ น, น, ก, ก, น, น ก, ก็จะไม่เกิดถ้าเราไม่ยอมรับทุกข์ภาย น, นอกจางทุกข์ภายในใจ ก, ก็จะเกิดขึ้นมาเ่ น, เ, น, เ, นเราไม่ยอมรับความร้อน ร้อนเยอเกินทนไม่ได้เหมือนก็จะเกิดความทุกข์ภายในใจถ้าเรายอมรับความร้อนได้ร้อนก็ร้อนไปเหงื่อตากต็ตากไปใจก็จะไม่ร้อนนี่คือสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราดับทุกภัยในใจได้เพราะทุกภัยในใจเกิด จ, จากความอยากเกิดจากความยินดีนยืนร่ายกับทุกภัยนอก กัดจุดทุกข์ภายในอ่ถ้าเราไม่ไปยืนยันนะกับจุดทุกข์ภายนอกกายของเราก็จะไม่ทุกข์ก็จะไม่มีความทุกข์เนื้อตั้งหมายของการปฏิบัติของเราอยู่ที่การดับดทุกข์ภายในใจไม่ได้ดับทุกข์ภายนอกใจทุกข์ภายนอกใจนี้ดับไม่ได้เพราะมีเหตุมีตั้งัจเช่นเวลาป้องใ น, นตัวใเขา ดูเพื่อทำให้เกิดความคลายความกําหนัดบงอยในการมหากะนี่คือเป้าหมายของการพิจารณาอสุภะเพื่อจะได้อยู่คนเดียวได้ไม่รู้สึกเหนาว้าเวิคนที่ต้องมีสามีมีภรรยามีคมู่ครองเพราะว่าเขามีความรู้สึกเหงาว้าเหวิดเขาต้องมีเพื่อนมีคมู่ครองแต่คําไม่รว่าคู่ครองและเพื่อนของเขานี่ยก็เป็นผีดิบนี่เอง เป็นโครงกระดูกมีจับาปใช่คงอยู่ในตัวเขาอย่างเราไม่เห็นต้องการให้เห็นส่วนนี้คคุณ่ะเลยจะพ่จะรณาสุภาพในมุมก็คือว่าร่างกายของเราในทุกวันนั้นก็จะต้องเป็นสร้างสูน์ ตัวเรานี้ไม่ได้วิเศษวิสุทธิตรงไหนเราจะได้มีความสมดุลสังเวกับการที่มันไปหลงไปยึดติดกับความสวยงานของร่างกายเราเองบางทีเราก็พิธีพิถันและเกี่ยวการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทําผมอืเสริมตรงนั้นเสริมตรงนี้บางที่มันก็เป็นซากศะที่กาลังจะรอเน่าเฟะออกมาเท่านั้นเอง เวลาเราปฏิบัติยาวๆใช่ไหมคะแล้วเราเห็นอะไรมันเกิดดับแค่เราเห็นมันก็จะดับแล้ว่ะคะแต่พอเวลาเราอยู่ในเชื้อเพลิงางนะคะแล้วเราอ่อนาการกะต้บะมันพอมันเห็นแล้วมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่ได้ดับแล้วเห็นวมันก็ยผิดปรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเราก็ไเข้าใช้พลังที่เยอะในที่จะรับมันที่หลักฐานต่างๆค่ะ้าถามเราคือว่าหนูควรจะ ใช้พลังนะคะที่จะตัดมันหรือว่าหนูยุดมันก่อนแล้วหนูไปทำกรรมฐานก่อนนะคะือจะตัดด้วยตัดพลังตัดรูปความคิดที่เละไรที่มันไม่ดีอย่างนี้ค่ะตัดมันเฉยอย่างเดียวคือนะ ง, งับมันไว้ก่อนอแต่มันต้องใช้มันต้องดึงคือที่เละน่ถ้าร ง, งับมันเฉยนี่มันจะไม่หัก ม, มันจะไม่ตาย ถ้าเราจะให้มันตายเราต้องเห็นว่ามันเกิดรบดับคือแล้วก็เห็น ก, การดับของสิ่งต่างๆที่กิเลสไปเกิดความินดีหินร้ายด้วยแล้ ว, ลว พ, อพอตัดได้แล้วมันก็จะรู้สึกคืบเข้มกับสิ่งที่เราจะต้งองรอดมัด้วยขณะที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราเหมือนกับเราทําการบ้านเหมือนกับเราซ้อมถ้าเป็นนักมวยก็ชกกระสอบตาย เราก็คิดว่าเราเราเราทาได้แต่พอเราไปขึ้นเวทีนี้มันกระสอบแล้วไม่ใช่เป็นกระสอบใจมันมีลูกเล่งมันมันมันเค้ื่อนไหวได้เร็วกว่าเราลองถ้าเราไม่ทันมันเราก็ถูกมันต่อยเราแทนฉะนั้นถ้าเราเวลาไปอยู่ในเหตุการณ์จริงนะเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางจริงต่างๆได้จะ แ, แสดงว่าเรายังยังสอบไม่ผ่าน เราก็ต้องกลับมาทําการบ้านเพิ่มมากขึ้นต้องพิจารณาการเกิดการดับของสิ่งต่างๆให้มากขึ้นคือเรื่องเกิดนี้มันก็ไม่สำคัญเท่ า, า, รารเรื่องดับถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆมันดับเราก็จะเกิดความเบื่อหน่าย<ม>เกิดจากความไม่อยากที่จะได้สิ่งต่างๆมาพอได้มารักเดี๋ยวมันก็หมดไปเราต้องเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาเรา เห็นอะไรเราก็จะรู้สึกเฉยๆถ้าเรารู้สึกเฉยๆคือไม่ดีดีน้อไม่เกิดความอยากได้หรือไม่เกิดความอยากจะหนียากจริงหล่านั้นไปก็แสดงว่าเราผ่านมันต้องมันต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงถึงจะรู้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านในในขณะที่เราอยู่ตามลําพังแล้วเราวิเคราะห์พิจารณาไปนี้มัน เรายังไม่รู้จริงเราต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงทง่ไเกิดอยู่ในเหตุการณ์เช่นเวลาที่เขาเกิดการต่อสู้กันแล้วเราเก็ต้องเดินทางผ่านไปในสถานที่นั้นใจของเรารู้สึกเป็นยังไงใจของเรายัางหวั่นไหวหรือว่าเฉยเฉยหรือว่าอย่างมากก็ดับหรือว่าอย่างมากร่าง ก, กายนี้ก็ต้องดับก็จะไม่รู้สึกหวั่นไหวอะไร แต่ถ้ายังรู้ยังไม่คิดถึงว่าร่างกายมันจะดับเรายังเกิดความอยากให้ร่างกายให้อยู่มันก็จะเกิดความหวังหมายขึ้นมาได้ในการดูการเกิดดับนี่เพื่อให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้นี่มันจะต้องหมดไปะนนั้ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเหล่ า, า น, นั้นเพราะจะทําให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าไม่ยึดไม่ติด ไม่ยินดียินร้ายเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปอย่างนี้ก็แสดงว่าเราปล่อยวางเขาได้เรารู้ทันรู้ว่าเขาจะต้องเกิดดับคือเขาเกิดมาแล้วเขาก็ต้องดับไปอย่างที่พระอัญญาณกลหยะได้เป็นงวาเจ้าแล้ววาทำใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา การดูการเกิดดับเฉยๆนี่มันไม่พอยูการเกิดดับเพื่อมาสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งที่เกิดดับเกินไปถ้ามีอยู่ก็ต้องเตรียมตัวรับต่อการดับถ้ามีรูปเกิดเขาดับไปก่อนเราดับนี่เราก็ต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นั้นหรือมีอะไรก็ตาม แล้วต้องจากเราไปอย่างนี้ก็เป็นการดับของเขาเราพร้อมที่จะรักกับเหตุการณนั้นหรือไม่ถ้าเพียงแต่ทำการบ้านยังไม่พร้อมวเวลาไปเจอของจริงจะทำได้ไหรงอไมเพียงแต่คิดถึงมันก็ยังรับไม่ได้เช่นคิดว่าลูกเราอาจจะต้องตายจากเราไปก่อนเนาอยนี้ถ้าเรายังคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะไปไปพบกับการจริงได้ไมเราก็ต้องซ้อมไห้ก่อน ต้องคิดอย่างนี้ไปก่อนว่าไม่แน่นะเราลูกเราอาจจะไปก่อนเราก็ได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปก่อนลูกเราเสมอไปถ้าเรากล้าคิดได้ต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจเราพอมันฝังจนไม่ลืมนะพอเกิดเหตุการณ์จริงมันก็จะไม่เกิดอาการตื่นเต้นหวาดกลัว พราะมันเตรียนตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นั้แล้วอาจจะมีอารมณ์บ้างเล็กน้อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหลักคือบางคนนี้เป็นบ้าไปกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเป็นวันเป็นเป็นเดือนกว่าจะทําใจได้แต่คนที่พร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ได้ก็ก็เพียงแค่เดียวๆนี่นทีเพียงแต่นาทีสองนาทีหลังจากได้ฟังเขาแล้วก็อะ ผ่านมแล้วจัไปแล้วหน้าที่ทาอะไรก็ทาไปทำศพก็ทาไปถ้าไม่มีกําลังที่จะคิดถึงเรื่องดับอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าจิตยังไม่มีสมาธิพอนอ ย, อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไว้เพราะมีกิเลสมากกิเลสก็คือความหลงอุปทานความยึดติดความอยากอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนาน ก็จะไม่กล้าคิดถึงเรื่องการจาับของเขาแต่ถ้าจิตมีสมาธิแล้วความโลภความโกรธความอยากความหลงเหลา่านี้อุปทานความยึดเกน่งนี้มันจะเหมือนกับถูกถูกกดเอาไว้ยังมีอยู่แต่มันไม่รุงแรงพอที่จะทําให้เราสามารถคิดถึงความจริงได้ว่าไม่เขากับเราก็ต้องจากกันอย่างแน่นอน ไม่เขากับเราก็ต้องไปใครจะไปก่อนใครเท่นั้นเอ ง, เ, องเราก็จะคิดอย่างนี้อ ย, ยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรัอกับเหตุการณ์พอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนอย่างที่พูดว่าเรารู้ว่าตอนจบของหนังมันเป็นยังไงนันตอนหนังจะจบมันจะเป็นยังไงเราก็รู้อยู่แล้วมันจะหวาดเสียวขนาดไหนเราก็รู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไง ถ้าเขายังอยู่เขาก็ายังอยู่ถ้าเขาตายต่อให้เขาอยู่ปลอดภัยขณะในปัจจุบันนี้อยู่อยู่อย่างปลอดภัยนขนาดไหนก็ตามเราก็รู้ว่าในตอนในที่สุดตอนจบเขาก็ต้องต้องจากเราไปงั้ขอให้เราเตรียมรับกับความดับของสิ่งต่างๆให้ได้คือไม่ใช่ว่ารู้เกิดดับ<ม>เกิดดับอย่างได้ยินเสียงเกิดมาแล้วก็ดับไปอะไรมากระทบแล้วก็ดับไป อันนี้มันก็รู้กันอยู่กเป็นปกติมาแล้วเพีแต่ว่ารู้แล้วต้องทำใจรับกับเขาได้หรือเปล่า<ม>เวลาเสียงสรรเสริญมาเราทําใจเฉยๆได้หรือเปล่าไม่ไปดีใจกับการสรรเสริญของเขาได้หรือเปล่าเวลาเขาด่าเราเราทําใจเฉยๆกับการด่าของเขาได้หรือเปล่านี่ต่างหากคือคือเรื่องที่เราต้องทันก็คือการทําใจด้วยโดยการรู้ทันว่าสิ่งต่างๆเขา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับความหมายเป็นอย่างนี้ที่ให้ศึกษาเกิดดับก็คือให้การศึกษาอดีจังเนี่ธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ถาวรมันไม่นิ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนที่อยู่ใกล้ตัวเราวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ดีก็ได้เพราะอารมณ์เขาเปลี่ยนไปอยเรื่อยๆแต่อารมณ์ดีเขาก็พูดดีทําดีไปหมดแต่อารมณ์ไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีทําไม่ดีไปหมด เรารับกับความดีความไม่ดีของเขาได้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้ต่างหากสิ่ที่ว่าเราทําใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือเปล่าไม่ว่าจะขึ้นหรือลงไม่ว่าจะเกิดหรือดับที่เราต้องต้องต้อ ง, องทําใจทําใจให้เป็นอุเบกขาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่ากันเกิดกับดับนี้เท่ากันสําหรับใจที่รู้ทันแล้วเรไม่ดีใจไม่เสียใจ เวลาได้มาก็ไม่ดีใจเพราะรู้ว่าได้มาก็เพจะต้องเสียมันอยู่แล้วนี่ถ้าไม่ได้มาก็ไม่เสียถ้าไม่มีก็ไม่เสียนั้นเวลามีไม่ใช่ไม่ใช่ดีใจถ้าดีใจก็ว่าหลงนล้เพราะเวลาดีใจเวลาเสียไปก็ต้องเสียใจแน่นอนแต่ถ้าเวลาได้มาไม่ดีใจเวลาเสียไปก็ยังไม่เสียใจนือนคนก็ให้ของที่เราไม่ชอบนี่ เรารับไว้เวลาคนอื่นต่อไปเราก็ไม่เสียใจหรือบางทีเราอยากจะให้ยกให้คนอื่นไปนทันทีจะได้ซ้อมไปไม่อยากจะเก็บเอาไว้ขอเราถึงเวียนเทียนกันนี้ของขวัญที่เราได้รับกันนี้ขอในาเราไม่ชอบแล้วเราไปคนอื่นชอวเราต้องทําใจคืออย่าไปชอบหรือฉันอย่ายินดียินร้าย กับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆนี่คือความหมายการให้ดูการเกิดดับให้ดูดูสอนใจว่าไม่มีอะไรมันจะเป็นคงเส้นคงวางเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นแล้วสั้งอยู่แล้วดับไปนี่คือความหมายใจมีหน้าที่รับรู้ ก, ก็รับรู้ไปทำใจให้เป็นเหมือนกระจกก็แล้ว กระจกนี่เวลาเรายิ้มใส่สกระจกกระจกมันก็เฉยเฉยมันไม่ดีใจเวลายากักเราแยกเคี่ยวใส่กระจกมันก็ไม่ได้โกรธเคืออะไรเราให้เห็นเหมือนกระจกเพียงแต่รอบรู้อย่างเดียวใจธรรมชาติคือผู้รู้เป็นธาตุรู้แต่มีกิเลสมาเกี่ยวข้องนู่ยเลยทาให้ใจไปผับไฟยินดียินร้ายขึ้นเราต้องการมาสนใจให้ห ย, ยุดยุติการยินดียินร้าย การว่า ก, การชังการโลกการโกรธเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะยุติให้รู้เฉยๆใ้รับรู้ได้หมดไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนทำรายใจได้ระเบิดนิ้วเคลือก็ทําลายใจไม่ได้ทําลายได้ก็เพียงร่างกายถ้าร่างกายยินดีกับการระเบิดของร่างกายแล้วใจมันก็ไม่เดือดร้อน ที่ให้ให้ศึกษาการเกิดดับก็คือให้ศึกษานิจจังแล้วที่ว่าถ้าไม่รู้ทันในนิจจังมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่รู้ว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องดับก็จะเกิดอุปทานความยึดติดอยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลาพอมันเกิดดับขึ้นมาทันทีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้ารู้ทันว่ามันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันต้องดับ มันก็จะไม่มีความวิตกกังวลขณะอยู่ด้วยกันก็อยู่ไปเวลาไม่อยู่ก็ไม่กังวลเวลาไม่เห็นหน้าก็ไม่ไม่กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะพร้อมที่จะให้มันเกิดไปแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนี่คือการศึกษาใจลักการเกิดดับนี้ก็คืออณิจจาความทุกข์ก็คือการไปยึดติดในสิ่งที่เกิดดับก็กลมความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาอนัตตาก็คือมันไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ยืมเขามาเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงทักวันหนึ่งเจ้าของที่แท้จริงก็จะมาขอคืนไปก็คือธรรมชาติดินน้ำลงไสทักวันหนึ่งเขาก็จะมาขอร่างกายนี้กลับไป น้ำก็จะมาท่วงเอาส่วนน้อำไปดินก็จะเอาส่วนดินไปลมก็จะเอาส่วนลมไปไฟก็จะเอาส่วนไฟไปร่างกายนี้นก็จะไม่มีอะไรเหลืออยูเนี่ยคืออนิจจังทุกขังนัสตาคือปัญญาของพระพุทธศาสนาข้อสําคัญก็คือต้องอยู่คู่กับใจอยู่ทุกเวลานาทีท่านั้นแหละนี่เป็นตัวตัวสําคัญที่สุดรู้แค่งแค่นี้ไม่พอ ตอนนี้เราก็รู้ว่าแล้วว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรแต่มันไม่อยู่ฝังอยู่ในใจตลอดเวลาพอไปเจอเหตุการณ์จริดขึ้นมาปั๊บยื่นไปละหายไปแล้ะอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ได้ยินมาพอมันไม่อยู่ในใจมันก็เกิดความวิตกกขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหน้าที่ของเราก็คือต้องพยายามปลูกฝังอนิจจังทุกขั้งอนัตตาให้มันอยู่ในใจของเราทุกลมหายใจเข้า มองอะไรต้องรู้ทันทีว่ามันเกิดดับเนะี่ยมันต้องดับนะมันต้องไปอย่าไปยึดอย่าไปติดนะมันไม่ใช่ของเราต้องต้องคัดต้องท่องคาอย่างนไว้ไม่งันมันมจะลืมเดี๋ยวก็เลืมพอลืมแล้วก็อยากได้เห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากได้ใช่ไหมในแสดงก็ไม่เห็นงานนี้ไม่เห็นเกิดดับแล้วเห็นแต่เกิดอย่างเดียวอยากจะได้ <c oughs> ใช่ดังนั้นเวลาที่จิตดับก็ออกไปเลยนะะตัวธาตรู้ที่รู้ไปถึงขนาดนั้นตามติดติดไปกับตัวจิตไหมคะจิตไม่ดับจิตกับธาตุรู้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเราเึีงแต่เรียกชื่อต่างกันนั่นเองตัวจิตไม่เคยดับตัวธารู้ไม่เคยดับแต่อารมณ์ที่เกิดในจิตนี้มันเกิดดับเกิดดับเช่นความสุขความทุกข์ในจิตมันเกิดดับเกิดดับความกลัวมันก็เกิดดับเกิดดับความรักความชังมันก็เกิดดับเกิดดับ สิ่งอันนี้มันเป็นอาการของจิตมันไม่ใช่เป็นตัวจิตตัวจิตก็คือตัวรู้ผู้รู้ตัวรู้นี้รู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ำเนี่ยมันน้ ำ, นำมันจะเป็นน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกคลื่นแต่อะไรต่างๆที่มันอยู่ในน้ำนี่มันเกิดดบับเกิดดับเพราะมันอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวน้ำนี่มันก็เป็นน้ำอยู่ตัวจิตก็คือตัวรู้มันก็รู้อยู่ สั่งทาแลธาตุรู้นี่หมถึงว่าอย่างของแต่ละคนเนี้ก็คือาธาตุรู้ของแต่ลคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ไม่ตายเออก็คือตัวที่คุยกันอยู่นี่ก็คื อ, อตัวาธาตุรู้เนี่ยความคิดมันก็ออกมาจากาธาตุรู้ ม, มันคิดมาแล้วมันก็สั่งมาทางร่างกายให้ร่างกายพูดออกมาพูดพูดว่าความคิดเรากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยเป็นการกระทําของตัวรู้ทั้งนั้นตัวจิตทั้งนั้นไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้กระทํา หลังกายเป็นเพียงผู้รับใช้คําสั่งของจิตนี้นเองอาจคะแล้วถ้าเราเเข้านิาพพานนี่ ก, ก็คือกระทั่รู้เข้าไปใช่ไค่ะคือถ้ารู้มันเป็นนิพพานโดยปริยาเวลาที่ไม่มีโรคกรดอย่านะ้นมันก็เป็นนิพพานไปมันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาวะของจิตที่สะอาดโดยสิ้นกคือกระทัรู้ตัวเดิมตัวนี้เช่นเหมือ น, นคนที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บจนหายไปหมดแนละ้วก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ ในแต่ว่าในไทหวัดไม่มีไม่มีโรคภัยอยู่ในร่างกายเ็นร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรแต่ไม่ได้กลายหายไปไหนจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ไม่หายไปไหไม่ได้สูญหายไปไหนที่สูญก็คือความรู้ความกวดความหลงที่มีอยู่ในใจนะั้นมันสูญไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ คนไม่ปฏิบัติจะจะไม่เข้าใจแต่คิดว่านิพพานก็คือสูญสูญหมดงั้นปฏิบัติไปให้มันเหนื่อยแลทำไมมันไม่สูญหรอกเราติดมันไม่สูญถ้าเกิดว่ามันกำลังทิ้งย่าสมาธิอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีการเกิดดับของบางส่วนจะไม่มีเี่ยงเบนมันนิ่งๆเรารู้ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่มันจะมีนิ่งแล้วมันก็มีตัววิ่งไปวิ่งมาเกิดดับไปเรื่อมันก็มีอยู่ตัวนิ่งอยู่แล้วเข้ามันก็มีตัวเกิดดับอยู่อะไรอย่งนี้ย ไอตัวนิ่งตัวนั้นคือคือตัวเกิดดับอันนึงหรือเปล่าคะคือสมาธิเนี่ยมันมีหลายระดับนะคือถ้ามันยังไม่นิ่งเต็มที่มันก็ยังมีเกิดดับเกิดดับอะไรที่ยังมีในใจึือมันมีจังหวะที่พอมันดับ <c oughs> แต่มันก็ยังมีนิ่งๆแล้วก็สุดว่ายจะเกิดอีกใหม่แล้วก็ดับก็รู้ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ว่าจิตของเรายังไม่นิ่งเต็มที่ถ้านิ่งเต็มที่แล้วไอตัวเกิดดับเกิดดับอะไรที่ยัง ม, มียมอยแต่ตัวรู้อยู่ันมีจังหวะที่พอมีนด้บแต่มันก็ยังมีนิ่ง หรือรนิ่งแล้วก็ยังรู้อยู่กับเรื่องเสียงเรื่องจิตเรื่องรู้แต่จิตไม่ไปวุ่นวายกับมันมันก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันได้ขนาดนั้นก็พอเพียงถ้าจะนิ่งแบบทุกอย่างหายไปนี้ท่านเรียกว่าสัญญาวเว ร, เริตะนิโรธาสมาบัติเป็นขั้นที่เก้าของของฌานสมาบัตฌานสี่แล้วก็รูปฌานสี่อรูปฌานสี่แล้วก็ถึงจถึง สัญญาเวดีเวดีตานี่โลหะสมาบัตอันนั้นดับหมดเลยสัญญาก็ดับเวทนาก็ดับอะไรดับหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวอย่างนั้นแบบว่าละเอียดที่สุดแต่มันไม่ได้เป็นการดับของกิเลสกิเลสเพียงแต่ถูกถู ก, ถกรงับการทํางานไปเพราะไม่สามารถใช้ขันคือเวทนาสัญญาสัญญาญญาณมาทํางานได้ ถ้าถ้าอยู่ในจิตระดับประมาณนี้ว่ามันมเกิดมีดับแล้วก็มีทั้งตัวนิ่งเนี่ยเราสามารถจะกลับมาพิจารณาใช่ไหมหรือว่าจะต้องรอให้มันนิ่งจนกระทั่งไม่มีตัวที่เกิดตั้งเออเวลาทำสมาธิเราต้องการให้มันนิ่ง อ, อย่างเดียวไม่ต้องการพิจรารณาพิจรารณารอให้เวลาออกมาจากสมาธิก่อนตอนนี้เป็นเวลาหลับนอนพักผ่อนต้องให้มันพักให้เต็มที่อย่าใช้งา น, พ อ, นพอมันพอพักผ่อนเต็มที่ตืน่นขึ้นมาแล้วค่อยเอาไปทำงาน ทีนี้ก็มีเอาตายรักอยู่ในใจขังอยู่ในใจไปเรื่อยๆคิดแต่เรื่องตายรักอยู่ไปเรื่อยๆคิดเพื่อจะได้ไม่ไปยึด ต, ติดไม่ไปอยากได้ไม่ไปไปรักไปชังนี่คือเป้าหมายของการพิจารณาปัญญาถ้ารู้ว่าเกิดดับเกิดดับก็ยังชอบยังอยากได้อย่างนี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรยังกลัวยังหวาดกลัวอยู่รู้ว่าเกิดดับเกิดดั บ, บก็ยังกลัวตายอยู่นิดนึง ก็ไ ป, ไปพิจารณาหาอะไรก็รพิจารณาเพื่อดับความกลัวเพราะมันเปนความทุกข์ปัญญามีไว้เพื่อดับความทุกข์เราพิจารณาจนไม่กลัวนั่นแหละคือเอาความจริงมายืนยันกับจิตว่าต้องตายแน่ๆร่างกายเนี่ยไม่มีทางเลือกทางอื่นพอมันโดนมันโดนโดนยืนยันนี้มาตลอดมันก็ต้องยอมแพ้กันได้กินเหลียมันจะมาพูดว่าไม่ได้ตายไม่ได้ไม่มีทาง ความจริงมันมันมีน้ำหนักมากกว่าความความอยากความอยากมันชู้ความจริงไม่ได้ความอยากมันชู้มรรไม่ได้สมุทัยชู้มรรไม่ได้ถ้ามันชู้ได้มันก็ไม่มีนิโรธการดับทุกข์ก็จะไม่เกิดการปรากฏของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีแต่ปัญญามันเหนือกว่าความจริงมันเหนือกว่าความอยากเหนือกว่าความอยากความอยากอยู่กับความเพียงว่าจะต้องตายเนี่ยมัน มันสู้มันสู้ความจริงไม่ได้ความอย่างอยู่นี้พอมันรู้ว่าต้องตายนี่นะหมอบอกว่ามีอีกหเดือนนั่นน่ะเนี่ยเชื่อไม่เชื่อเละเชื่อแล้วสิใช่ไหมทีนี้ก็จะเริ่มทําบุญกันอย่างเต็มที่เลยละมีอะไรก็คิ้งเริ่มเริ่นสลแล้ะมีอะไรไม่หวงละจะให้ใครดีคนเราัวให้นแล้วมันจะดับจริงๆแล้วทีนี้มันมันมันเริ่มปฏิบัติทําได้ละ มันเริ uh ่ปล่อยวางนะแต่ถ้ายังไม่เห็นว่ามันจะตายมันยังไงก็ยังห่วงยังห่วงอยู่ยังเสียดายอยู่ดงนั้นพยายามพิจาาให้มันเห็นว่าต้องตายแน่ๆแล้วมันจะได้ไม่อยากได้อะไรค่ะคือมีอยู่คนอย่างนี้นะคะเขาเหมือนกับตอนพิณสมาธิอะค่ะเขาบอกามันปล่อยได้หมดแล้วในเฉพาะในช่วงนั้น แล้วก็บไม่มีข้อไมีแน่มีมาทำทุกอย่างเป็นคนียค่ะอทิได้แบบนั้นแล้วทิศมันดับดับไปค่ะจนกะทั่งจิงๆเขานั่งสิบถึงห้านาีค่ะเขานั่งรมาที่ว่าห้านาทีมันก็ดับไปเลยั้ายท้งติดค่ะแล้วมันก็มาโผล่เหมือนแับข้างล่างโผล่ขึ้นข้างบนเหมือนที่มืดโผลขึ้นมาที่สว่าค่ะ ตอนช่วงที่นาฬิกามันทบเวลาวันดีก็เลยเหมือนกัช่วงเวลา่านไปแล้พออกมาจิตนก็มันก็รู้สึกในจิตละแล้วมันก็เดิมโลแต่มันดูนมีอะไรในโก่ก็เวลาจิตสงบมันก็ทุกอย่างมันก็หยุดทางานไปมันก็โลมันก็ว่างไปแต่พอออกมาได้ไม่งานมันก็เริ่มกับเคลื่อนสุสภาพเดิมเริ่มคิดปรุงแต่งต่างๆ กิเลสสัญญาที่เป็นสมมติต่างๆก็จะกลับมาก็จะมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพี่มีน้องแล้วมันก็จะมีอุปทานมีความยึดติดและก็มีความทุกข์ความขยันต่อไปเพรอสมาธินี้ไม่สามารถแบบสิ้นลงได้เพียงแต่กดมันไว้ได้ชั่วคราวมัอนหินทับยญ้าเวลาเห็นหินทับยญ้าไว้หญ้าก็จะไม่สามารถงอกงอกขึ้นมาได้ พอ เ, เอาเห็นออกไปไม่นานยา่ามก็จะงอกลับขึ้นมาขณะอยู่ในสมาธินี้ทุกอย่างก็ก็เป็นเหมือนนิพพานเป็นเป็นนิพพานชั่วคราวคือตอนนั้นกิเลสอะไรต่างๆนี้มันก็จะหยุดทํางานอยู่แต่พอออกจากสมาธิแล้วมันก็เริ่มกลับมาทํางานอีกถึงต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญานี้จะสามารถที่จะกําจัดกิเลสได้อย่างท้าวรไม่มีวิธีอื่น จะต้องอาศัยสมาธิก่อนเพื่อที่จะลดกำลังของกิเลสให้มันอ่อนลงพอกิเลสอ่อนลงแล้วก็จะง่ายต่อการตัดด้วยปัญญาถ้ากิเลสมีกำลังมากจิตที่ไม่มีสมาธินี่นจะใช้ปัญญาตัดมันไม่ได้มันจะดือ้อมันจะสู้แต่ถ้าจิตที่ที่มีสมาธิแล้วนี่มันจะไม่ค่อยดือ้อมันจะ ไม่มีกำลังมากทำให้ปัญญาสามารถที่จะตัดมันได้ทำลายมันได้ครับอาจารครังถ้าจิตที่สำคัญสมาธินี่ข้อหนึ่งก็คือเราจะต้องตัดการมฉันท่าให้ได้ครับคือการมฉันท่านี่มันมันก็เป็นอุปสรรคเขาเรียกว่านิวน ถ้าเรารมาีกามมั่ฉันทะเวลานั่งสมาธิได้เดียวๆวก็รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่อยากจะนั่ง น, นะเพราะเราชราวมั่นันทะจะชอบความไม่เจ็บพอเกิดความเจ็บขึ้นมามันก็จะไม่ชอบพอเกิดความไม่ชอบก็จะเกิดการกวนกระวายการะสับกระสานขึ้นมาภายในใจทําให้ไม่สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้าเราสามารถตัดความมนฉันทได้แค่เราฝึกอยู่กับความยากลำบากร้อนก็ปล่อยมันร้อนไป ไม่ต well ้องไปติดแอรอย่างนี้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ปล่อยมันเจ็บมันปวดไปหรือเราไม่ไปแสวงหาความสุขจากจากความสบายของทางร่างกายต่างๆด้วยวิธีต่างๆนี้พอพอเราไม่มีไม่มีความไม่มีการมาฉันทะก็คือไม่ไม่ไม่ต้องการความสุขทางร่างกายเวลานั่งสมาธิถ้าเกิดมีการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะพอทนได้จะไม่รู้สึก อ, อึดอัดหรือว่าลาบากใจก็ยังสามารถบริกรรมพุโทโธต่อไปได้จนเข้าสู่ความสงบได้ไปแตงนี้เป็ น, ปนกา ร, รมาันทะในวนัวไม่ใช่เป็นกา ร, รมราคากา ร, รมาราคานี่มันเป็นขั้นของปัญญาคือต้องการถอดถอนความกำหนัดยินดีในการมีเพศสัมพันธ์อย่างถาวรก็ต้องเห็นความไม่สวยงามของร่างกาย เห็นเห็นเห็นซากศพในร่างกายเห็นโครงกระดูกเห็นตับตไตไส้ตุมเห็นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายถ้าเห็นแล้วมันก็จะเกิดอาการลังเกียจขึ้นมาแทนที่จะมีความกำหนัดยินดีก็จะเกิดความรังเกียจมันก็จะคลายความกำหนัดยินดีนี้ได้มันเป็นสองสองส่วนด้วยกันเวลาทําเจริญสมาธินี้ก็ตอกจากการมาแฉนทัศในเช่นตัดลุก ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนเช่นดูหนังฟังเพลงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสด้วยวิธีการต่างๆเราต้องตัดลยแล้วก็จะได้ทําให้การนั่งสมาธินี้ง่ายขึ้นถ้ายังติดความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋ยวหิวเครื่องเดิมชนิดนั้นชนิดนี้เดี๋ยวอยากจะรับประทานอาหารละ เช่นคนที่ถึงคนที่จะนั่งสมาธิทํานเขาท่านมิตสอนให้ถือสิงแปดไม่แต่การมฉันทะทางทางรูปสิ่งกิจวัตรทาอาหารก็กินพอกับความต้องการของร่างกายไม่ต้องกินเพื่อกรรมฉันทะไม่ได้กินตามความอยากหลังจากเท่้งวันไปแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วความสุขทางตาหูก็ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังถ้าจะดูก็ดูธรรมะฟังธรรมะไป เวลานอนก็นอนให้น้อยนอนบ น, น, นพื้นที่ไม่มีฟูกนั่นแหละเพราะถ้าฟูกหนาแล้วมันจะนอนนอนยาวความต้องการของร่าง ก, งกายแค่สี่ชั่วโมงก็พอแต่ถ้ามีฟูกแล้วมันจะนอนแตปดชั่วโมงมันก็จะเสียเวลาไปท่าที่จะสี่ชั่วโมงมานั่งสมาธิก้าวหน้าไปก็ต้องมาเสียเวลากับการนอนพอนอนมากพอตื่นขึ้นมาก็หิวอยากจะกิน มันก็จะม้วนม้วนติดอยู่กับการหาความผิดทางการมาชันทะาเนยก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิเจริญเจริญสมาธิได้ดันคนที่อยากจะเจริญสมาธิจะต้องตัดตัดการมาชันทะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้บางคนก็กินมือเดียวเลยแทนที่จะกินกินสองมื้อก็เอามือเดียวบางคนก็อดอาหารไปเลยสามวันไสมารับประทานสักครั้งหนึ่ง มันก็ช่วยตัดการมาสันผัสก็ได้เยอะเวลาหน้าสมาธิก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายได้จะไม่รู้สึกอึดอัดหรือํำคานใจเพื่อจะสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้องาตามนิวองตรงนี้ให้ได้มันยากหน่อยเพราะว่ามันมัน มันเกิดจากความรู้สึกหรือนิสัยของเรานิสัยของเราถูกปลูกฝังมาให้ชอบความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราต้องมาระงับมันก็เหมือนคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพยาเสพติดมันก็จะเกิดความทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความมีความศรัทธามีความเชื่อว่าการกระทำเหล่านี้ถึงแม้จะทุกข์บ้างแต่มันเป็นการทุกข์ระยะสั้น ทุกตอนต้นเพื่อความสุขตอนปลายแล้วก็ยอมทนทุกข์ไปไม่นานแล้วต่อไปมันก็จะไม่รู้สึกทุกข์ถ้าเราฝืนมาได้สักสองสามครั้งแล้วต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาไปมันจะลําบากตอนใหม่ๆคนที่เคยสูดบบุหรี่แล้วเดิมชุราเนี่ยเวลาที่จะหยุดเดิมหรือหยุดสูบบุรีเนี่ยจะไม่มาจะรู้สึกยากมาก พอฝืนได้สักครั้งสองครั้งแล้วสองครงมันก็จะเบาลงไปอย่อง่ายขึ้นไป่เรื่อยๆมันจะเลิกได้ในที่สุดพอไม่มีการมาสังทาแล้วมันจิตนันก็จะไม่ไม่ปรุงแต่งที่จะออกไปหาความสุขมันก็จะนิ่งสงบโดยปริยายพอมาทำสมาธิมันก็สงบง่ายง่ายกว่าจิตที่คิดปรุงแต่งหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเลยนะ หาอะไรมาดื่หาอะไรมารับประทานไปคุยกับคนนั้นไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้มันจะคิดอยู่ตลอดเวลาพอเวลามานั่งสมาธิแนละ้วมันต้องต่อสู้กันพอไม่มีการมาเฉยท่ามันก็ไม่มีความคิดเหล่านี้ที่เราจะต้องมาต่อสู้ให้อยู่กับพุโทโธลงนั้นพุโทโธพุโทโธไปมันจะไม่แวะไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัตวะ ยอมทุกอย่างไงทุกตอนต้นแล้วจะสบายตอนปลายทุกเหนียวเดียวเหมือนกับหมอผ่าตัดผ่าแล้วหายไปตลอดไม่ดีนะถาอากิเลสสามตัวนี้ออกไปจากใจแล้วสบายไปตลอดชีวิตตลอดไม่มีวันเสื่อสิ่งถ้าไม่เอาสามตัวนี้ออกอยู่ไปอีกร้อยร้อยชาติฐันชาติมันก็ยังต้องทุกข์ไปอีกนัน่นนั้นยอมเจ็บไม่มีใครไม่เจ็บอย่า เวลาผ่าตัดนี้มันไม่มียาสงบผ่าตัดกิเลนไม่มียาสงบมันมีแต่ทันติมั น, น ก, กันเวลานะได้พอ